น, นี่จะแสดงธรรมเทศนาพูดทั้งเรื่องแนวปฏิบัติพุทธศาสนาโดยเฉพาะคือพุทธศาสนากนใชนทั้งหลายที่จะต้องปฏิบัติศาสนาให้ถูกต้องให้เป็นผลประโยชน์นั้นดีงานแก่ตนนั่นจะต้องให้ดูเรื่องเข้าใจ ในทางปฏิบัติก็ศาสนาเป็นของมีมายืนยาวนานตั้งสอง0ันกว่าปีบางครั้งบางสมัยศาสนาก็จะลินบางครั้งบางสมัยศาสนาก็เสื่อมโทรมไปนอกจากนั้นก็ยังมีธรรมะหรืออุบายต่งตาง ที่ท่านสอนไว้หลายอย่างหลปตะการเป็นการสลับซับซ้อนยากที่พวกพุทธศาสนิกชนจะหยิบองค์ข้อใจขวามมาปฏิบัติให้ถูกต้องได้ยากถึงแม้จะฟังอยู่ทุกวันก็ตามฟังเทศฟังธรรม จะโดยเฉพาะเรื่องสาลวาตมีการยุ่งภาละมากฟังเฉพาะในเวลาที่เราเข้าวัดเขาวาหรือฟังแระสันเทศที่ไหนก็ตามจิตใจของเรามุ่งมั่นในการฟังธรรมเทศนาจดจอเฉพาะในเรื่องธรรมก็อพอรู้พอเข้าใจถึงบ้างพอมองเหตุทาง ถ้าหากว่ากลับไปถึงผานไปรับผานละการงานเขาแล้วเรื่องนั่นก็หายลืมเลือนไปในนั้นจึงเป็นการยากฉะนั้นวันนี้จะเทศนาถึงเรื่องแนวปฏิบัติก็เทศทุกอย่างทุกขั้งลูกค้าเป็นเรื่องเทศแนวปฏิบัตินันเองแต่นี้จะสรุป รวมหัวข้อเพื่อให้เข้าใจง่า ย, ายในทางพุทธในพระพุทธศาสนานันท่านสอนไว้หลายชั้นหลายสิกหรืออีกจะพูดในหนังเข้าใจง่า ย, ายเรียกว่าศาสนาเป็นบอกเกิดของคุณงามความดีเป็นทรัพย์อัน สารพัดนึกที่บุคคลผู้ต้องการและราสนาหาได้ในทางพุทธศาสนาหรืออีกจะพูดในหนึ่งพูดสันจันเลยว่ า, าศาสนามีทั้งสเ็ตมีทั้งเปลือกมีทั้งกีมีทั้งแก่เพราะเกตนี่และศาสนา จึงค่อยมีอายุยืนนานไม่เสื่อมสลายถ้าหามีแต่แกนอย่างเดียวาศาสนาจะอยู่ทนทานไม่ได้มนี่ยพามาเปรียบเหมือนกับต้นไม้ถ้ามีแต่แกนอย่างเดียวแล้วอายุไม่ยืนเดี๋ยวก็ผุบถ้าหากว่ามีสิจเจ็ดโฮม เปลือกเปลือกหุก้มกระพี้กระพี้ก็ะห่มแกน่นในผลที่สุดเปลือกหล่อเลี้ยงกระพี้กระพี้หล่อเลี้ยงแก่นแม้ แ, แก่นก็ค่อยเติบโตขึ้นโดยลําดับนานปีเข้าไปกระพี้ก็ค่อยบางลงไปแก่นก็โตขึ้นมาอุปมาถึงเรื่องพุทธศาสนา ทั้งสองผูทเจ้ามีครบคันบริบูรณ์มดจึงได้มีอายุยืนนานมาจนป่านนี้คำว่าสกเกตคืออะไรเปลือกเลเซเกรกับพี่เลเกเกนคืออะไรสักเกตนั่นคือเรื่องปรีกย่อยลเล็กๆน้อยๆในทางศาสนาพิธีปีจรต่าง น้อย่างหลายเรื่องที่เราทำเรียกับาพิธีศาสนาตัวยอย่างอย่างที่ว่ากีเนี่การราฐนาเทศราฐนาธรรมราฐนาศิลราฐนาปริตะมงคลอันนี้เป็นของลีดย่อยเล็กนี้น้อยเพื่ออะไร เร่านี้แหละเป็นเหตุให้เราตั้งใจเมื่อเรามีราชนาแล้ว เ, เราก็ตั้งใจมาต่อ น, นี้ไปจะฟังเทศต่อ น, นี้ไปจะปรักษาศิีลหรือต่อนี้หรือประกาศทานต่อ น, นี้ไปจะตั้งใจบุธิกุศิตน้นบุญคือทำบุญทำทานนี่จึงเรียกว่าสกิทตคอานนี้ผลอก เพื่อได้แก่การทำบุญทำทานโดยประการต่างๆเขาทำบุญทำทานอย่างที่เขาพากันทำกันอยู่ทั่วบ้านทนุ่งเั้นอกจากทำบุญรักบาทเพื่อถวายอาหารแก่พระภิกษุสามเณรผู้ท่านสมศรีสมธรรมนันการหาเลี้ยงขี้กติกรรมติกรณอย่างคารวาแล้ว ก็มีการทำบุญสิ่ยอดนะอย่างหลายประการเป็นเทศสเวเทศมหาชาติด้วยแฉลบโน่นโน่นมีอะไรซะทั้งพัดทุกอย่างมีงานแฉลด อ, อันนี้เรียกว่าเปลือกสวนกัะพี่คือศิลชิน 5, ช้นห้าชิน 10, ช้นแดชิ้นสิบชิ้นสองร้อยยี่เจ็ด อันนี้เป็นกิสินนี่เป็นเป็นการที่จะเข้าถึงแก่คนเราเพียงแต่ทำทานทเฉยยังไม่ทางนี้สีนเลยเรียกว่ายังไม่เข้าถึงมันยังไม่ทันหนักแน่นทำทานนั่นบางทีอาจจะไปฆ่าสัตว์ลักต่อโกงขโมย หรือโรคชิงของบอวิ่งชิงลาวมาทําบุญรับทานก็ได้มีทั้งบากมีทั้งบุญปะางคนกันอยู่นะนี่จึงเรียกว่ากับพี่ไม่ใช่ไหมถึงไอ้จึงเรียกว่าเปลือกไม่ทันถึงกับพี่ส่วนการรักษาศีลงดเว้นเจ๊าจา่วชมชั่วด้วยประการาต่าง ขาดรักรฤฤทรัพย์กับพืชผัิปีช้าจางกาโภโมสาวาติอุตส่ามิไรชิ้นห้าชิ้นสิบชินจังร้อยทีย่เดียดนี้แต่การงดเว้ทั้งหมดแก่นทีเดียวเข้าถึงแก่นตัดสต า, าแก่นเข้ามาละเข้ามาถึงกับพีรแข็งขึ้นมากทีเดียว่ะไม่ได้ถึงแกนแ่นจะแข็งขึ้นมากทีเดียวคนนี้ศีลปีช้า ใจของตนงดเส็นเถจากรวมทั่วมีแต่จิตใจของใสสะอาดเชื่อมั่นในคุณพรัฒนาไกลเชื่อมั่นในทำทคำคาส อ, องพห้ดูจ้ามีโดยย่นยอ่อสรุปรวมควมเรียกว่ากาพ่คันนี้แก่ะคือการอบรมภาวนา รักษาจิตใจของเราไม่ให้หวันไหววุ่นวายจิตใจของเราไม่มีกิเลสบาปกระทำจิตใจตั้งมั่นเป็นสมาธิแนวหน่อยู่ในฌานอยู่ในสมาธิเรียกว่าจิตใจของใสสะอาดบริสุทธิ์เรียกว่าแก่คือมารวมมารวมยึดถือแก่ ศาสนานั่นต้นไม้ต้นนั่นน่ะที่มีคุณค่าวิเศษสูงสุดกวดใดๆทั้งหมดทั้งปวงหมดนั่นคือตัวแก่เนเตือกับที่เวลาเขาต้องการเขาัะใช้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือแก่น ทำบ้านทำเรือนทำเตาอะไรก็ดีเขาใช้แกงเขามาใช้เปลือกมาใช้กระพีแต่เปลือกและกระพีนั่นแหละห่มห่อแกใหม่ให้คนได้มาใช้เป็นเสาบ้านเสาเรือนหรือปลูกบ้านปลูกเรือคนความต้องการของต้นไม้ทุกคนเขาต้องการที่แกงต้นไม้ไม่มีแกงเขาไม่ต้องการ นอกจากไม่ต้องการนะต้นไม้มีแขนยืนต้นไมนะ่นาอย่างต้นงิ้วต้นนุ่นหรือต้นละกอกต้นกล้วยก็เด่นไม่ลมลุกไม่ถึงหกปีตั้งสีร่ระรว่าลมพัดอะไรก่อนทนทานไไหนะ ต้นแดงต้นประดูต้นติเคียนแก่นมันแข็งอยู่ได้เป็นร้อยปีพันติศาสนาถ้าหากว่าเข้าถึงแก่นแล้วคนจะนั่นจะเป็นผู้นักแน่น้ำมันคงแม่หวั่นไหวต่อทุกทั้งหลาย ในนั้นคนเราเกิดขึ้นมาพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าประกอบไปแล้วของทุกกองทุกเนี่ยมันยากคนเหยีจะเข้าใจคนยากที่จะเห็นทุกเพราะความมัวเหมาของคนไม่เคยคิดเป็นเรื่องทุกเอาแต่เรื่องสนุกอย่างเดียวมาคิดหรือบางคนไม่เลยไม่เลยไม่อยากคิดเดืยดตาม ว่คิดถึงเรื่องกองทุกขระทุกใจถึงยังไงมีชีวิตอยูก็เขาก็ขอให้มันเพลินจ้ะมีชีวิตในชาติเดียวกันทั้งเพลินสนุกกระต้านเรื่องทั้งลืมทุกข์บางคนทุกข์มากไม่มีทางแล้วงับก่อดื่มจุฬาให้เหมอนเมาลืมจวนลืมตัวไปจ้ะทุกข์ของคนน่นน่ะถ้าพูดกันจริงจริงยันจังเลย ทุกตั้งแตเกิดทั้งแต่ยังมาทางทงทมทั้งยอดจนกระทั่งตายกวานทุกข์ทรมานของคนทุกหลายอย่างหล ป, ประการทุกโดยการแสวงหาอาชีพแยายบปริยนิทธิ์กหามาได้ใช้ไปจินหมดไปไม่ใช่ก็ไม่มีประโยชน์ ใช่ก็หมดหมดแล้วก็องสากนอยู่อย่างนี้ยกลงเลยวุ่นกันในเรื่องปากเรื่องท้องคนหาอะไรมากก็เพี้ยนใส่ากใ่ท้องเลือจากใส่ากใส่ทองก็เลือทิ้งไว้เฉยคนมีน้อยก็หาใส่ากใสท้องคนมีมากก็หาใส่ปาก ตกลงเลยยุ่งนั่นแต่เรื่องปากเป็นค อ, อพวกง่ายๆยว่ายุ่งเรื่องกินคนไม่กินก็ไม่ได้ยุ่งไม่ต้องยุ่งคุณจะเคยเห็นหละอมั้งหรือเคยได้ยินมาอย่างแรกนั่นอยู่ในปากตอนออกภาษาเนี่ย แรียกว่าเขาเรียกแกกลดเขาตับหรือแลดเขาสุกนั่นดูฝ น, นมันเป็นนอนปลาก น, นอนโคลนที่น้ํา ม, มีตมมีโคลนมันพิ้งไปกิ้งมาจนกระทั่งจมลงมิดทั้งตัวเลยพอจะดูนี้มาน้ํามันแหงโครนมันก็แลดไปมันเหลือแต่ช่อง หายใจนิดเดียวก็เรียกววาเย็ดแล่นย้อนมันชัำหรือแรกเข้าสูงตอนนั้นแปงไม่กินอ่ะสบายเลยอยู่ตั้งเป็นต้องเดิดดดนตั้งเดินย่ไยินสบายคนที่เขาหากินอย่างพวกกบก็เช่นเดียวกันดูฝนก็เข้าอยู่ในรู แล้วก็นี้พอดีเราดูนี้มันก็ปิดเนียรูมันนันไม่ต้องออกหากินอีกต่อไปอย่างดีที่ดูกันเยี่ยวมีเยี่ยวกินอยู่ในหลักในในหลักในรูมันหาไมา่ไดกินแล้วอ้วนได้หลือทั้งอ้วนทั้งมันด้วยพวกสัตเหล่านี้นั่นนะเขาไม่กินเขาสบาย แต่มันก็อยู่ไม่ได้อยู่สองามเดือนอะ้มันก็ออกมาหักินอีกหัดกินมันก็ยุ่งหนึ่เหมือนกันนี่เรียกว่าพฤติเยสิปุถุปุ๊เพราะการแสวงหาจิตใครๆเิดทำไมโรคทุกเรื่องกินทั้งนั้นภิกษุสามเณในพุทธศาสนาไม่ทำมาค้าขายไม่ทำลายทั้งส่วน ก็ยังขอทานกินสแสวงหากินอยู่เหมือนกันถ้าพุทธเจ้บบาวระสังเรชนว่าผลนิพพานแล้วท่านก็นยังสเสวยพระจักราหาเที่ยวบินทวบานอันนี้เรียกว่าอาการของของทุกข์แต่ว่าความทุกข์ภายในใจน่อาจจะพิดแตกกันไปบ้าง าาสั้นแหลพวกคารวะผู้ไม่ดมศึกษาธรรมะเรื่องรรมะไรดีพิจารณาเรื่องธรรมะเพราะการเสแวงหาได้น้อยก็ไม่พอใจได้มากก็ไม่พอใจได้ถ้าได้มามีทุสิตที่สุดได้มาแ ล, แแล้วก็ไม่ยั้งจะหนีเนี้ยแหละไม่อยากใชอยากสอยแม้ที่สุดแต่จะบริโภคใช้สอยตอนเองเก็พื้นจนเต็มที่ ทั้งๆที่หามาลําบากกลารกรรมแต่ใช่ก็ไม่ได้มันอะไรกันเรื่องถ้าหากเราผู้รู้เท่าเข้าใจเห็นว่าเป็นเรื่องอาศัยหามาได้ใช่ไปมีมากๆไปใช้ตามพุทธมารทั้งคนมีน้อยไปใช้ตาพมพุทธมารทั้งคนทิ้งเหลือไว้สำหรับทิ้งจะได้ใช้ในเวลาที่เราหาไม่ได้หรือว่า ฉันด่าไปเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่เขาหาไมา่ได้เห็นพอดีพองามแล้วเห็นว่าเราตายไปแลด้ออไปไม่ได้ทุกคนจะมีใครเอาไปด้วยทุกคนี้เป็นของเวนมูลมว่ฎดกตกทอดอยู่ในโลกอันนี้ทั้งหมดสิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่เราก็คือสละจากขั แก่คนทุกคนจนยากไรไร้อนาถาหรือสงเครระบิดามันดาที่มีประกาศละคุณหรือสงฆ์พระญาติมิตรพวก้องภี่นองผู้ที่ขาดตรงบุกท่อเฉลี่ยเจือจานแบ่งปันควมสุขให้เกาทราบที่เราสละจาข้ามันเป็นเครื่องสมานมิตรนั้นปิดน้ำใจ ทำให้คนที่ไดรับแลยคิดถึงบุญถึงพระคารแล้วเสร็จ้วเราก็เย็นใจสบายใจเพราะเราได้ส่งเคราะห์คนอื่นเมื่อเรามีเราได้ส่เคราะห์คนอื่นทรัพอ์นั้นได้ชื่อว่าทําประโยชน์ที่เราหามาได้ถ้าหากก็เราไม่ทะยัดดังอธิบายในบทโต๊ไม่ต้องพูดถึงเรื่องส่เคราะห์คนอื่นอ่ะแม้แต่ตนเองจะ ผ่านก่อนแสบฝืดแสงเฉื่องตนจะใช้กับฝืดเรื่องแสนฝืดเฉื่องแบบนี้แล้วตนเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็ไม่ได้รับประโยชน์ด้วยแล้วใครจะมองหนักใครจะสังคมตกลงก็ไม่มีคนสังคมเมื่อมีสังคมไม่มีคนสังคมจะาประโยชน์อะไรจากั มันจะมีความสุขมาจากไหนฟังพระพุทธเจ้าเนั่นวะกินคนเดียวไม่มีความสุขลองดูที่กินคนเดียวใครได้มันได้กินคนเดียวลองดูที่ไม่แบ่งสังสังคกี่ยกับใครทั้งหมดอะอยู่ในครอบครัวกนันด้วยกันสเมืตอว่าครอบครัวพ่อมีอะ้รยกัน มีมาแล้วมีสิ่งใดมากินคนเดียวเราดูอยู่ด้วยกันได้หรือหรือหากว่าลูกเก้ามีขึ้นมาในสมาชิกในบางงน้านเรือนมีแค่สามสี่คนไม่แปกินคนเดียวใครได้ก่อนชุบซ่อนกินให้คนเดียวไม่เฉลี่ยเกี่ยวกิวจการอะไรลองดูที่อยู่ได้กันไปได้ไหมกลุ่มใจคนนิ้ด้วยกับกลุ่มใจตัวเราเองกับกลุ่มใจว่าคนอื่นจะเห็นเรากิน คนเขาเดือดยังไม่แย่งทิงแล้วเลยเป็นทุกข์เดือดร้อนได้มาก็ไม่มีความสุขนี่แหละเรื่องเปลือกมันเป็นอย่างนี้ถ้าหากเราทําทานการกรุศลถ้าหากเราจะผลของการทำบุญทำทานไหมรู้เรื่องทั้งหลายแล้ ว, ลวเป็นทุกข์เดือดร้อนอันนี้การทําทานน่ะ ไม่ใช่วะเรามีมากจึงจะทานหรือว่าเรามีของดีๆเราจึงจะทานหรือว่าตายแล้ให้เขาทานหาไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้อธิบายแล้วอ่ะหามาได้ใช่ไปมันหมดไปจะให้มันเหลือแล้วจึงจะทําบุญดำฐานมากๆแล้วจะทําบุญดาฐานหรือตายแล้วจึงทําบุญําฐานไม่ได้หวังเลย การที่เรามีน้อยทําบุญด้วยความเรื่องใส่ศรัทธาอาจจะได้พลานิชง ม, มากกว่าคนที่ได้ม า, มากๆในการทาบุญเอาสมมุติกันว่าพูดกัน ง, ง่ายๆล่ะทุกคนน้าพากันคิดว่าได้มากมานกาทําบุญในระยะที่ยังไม่ทันได้เนี่ยใครจะทํำระยะนนี้ทุกคนทางการทำมันกันหมดชาติหนาจะอยู่ได้หรือ ถ้าเวอร์ใ น, นพุทธศาสนาก็อยู่ไม่ได้มีคนถวยายจะหันมีถวายของเรื่องเล็กเงนน้อยปีที่มีพักเนี่ยทำบุญทุกวันทุกวันเนี่ยอันนี้แหละมันมีประโยชน์ได้มากได้น้อยอได้น้อยเนี่ยทำบุญได้น้อ ย, ยทุกวันทุกวันนี่มีประโยชน์มากถ้าหาทุกคนไปนขอแล้วได้มากๆแล้วไม่สาวทีปียังจะได้มากๆถ้าตายหมดก่อนแล้วสึกหมดลแล้วไม่ไปได้ทำกับ จึงว่าการสละจากฆธรทมบุญโดยเฉพาะเรื่องอาหารมินทุา์เป็นของเลียงชีพของคนเราอาหารเป็นเครื่องยังชีวิตของสัตว์ให้อยู่ได้คนที่ถวายอาหารมิทุา์กับพิพิสุสามณิตหรือแก่คนทุกจนนาถาหรือใครก็ตามถึออาหาร เป็นเหมือนกันก็ว่าเราถวายทานชีวิตเอาชีวิตแทนเป็นทางตาโบราณั้นเข้าใจกันว่าทานชีวิตเอาเนื้อเอาหนังไปให้เสือกินเสือเหี่ยวตกน้าบอ่อแล้วก็นกานใจโจ้ลงไปให้เสือได้กินให้มันอิ่มเรียกว่าทานชีวิต หรือบางคนเข้าใจเสียว่าทานชีวิตคือตัดหัวให้เป็นทานใครจะไปต้มกินหัวคนใครไปต้มกินไม่มีเข้าใจผิดของกาทานชีวิตเนื้อหนังคนจะมีใครกินกันนะ่ะทานชีวิตคือทานอาหารนย่างชีวิตให้ยืนยงไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งเรียกว่าทานชีวิตนี่เลจึงว่าให้รู้จักการทำทาน เป็นคุณค่าของการทำทานเนีย่ยไปคิดหลือออกมาเป็นประธรรมถึงแม้จะเป็นเปลือกก็ยังห่มห่อไว้ทำว่ า, าห่มห่อไอ้ที่เนี่ยอย่างผู้ที่จะดเริญกรรมฐานภาวานาหรือจะถึงมากขนิพานหรือเป็นพระพุทธเจ้าหรืออรอยิยสมุทรโกแล้วเป็นพระอรหัตรนต์รอรหันต์แล้วก็ถ้าไม่มีเปลือก คืออาหารนี่หล่อเลี้ยงคือการดำทานนี่หล่อเลี้ยงมันจะอยู่ได้อย่างไงทั้งต้องตายกันทั้งหมดนี่อย่างพวกเกลือกระเป็ของมีประโยชน์เป็นประโยชน์จริงๆก็พี้นะี่คือศินละเว้นไปแจกของมช่วยประการศิลที่เรารักษานะี่ย เว้นเสียจากการฆ่าสัตว์ก็คือไม่เบียดเบียนสัตว์ทุท่ตัวไปสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเด็กขาดในขาดมาคิดถึงว่าสัตว์ตัวน้อยตัวใหญ่ห่วงชีวิตเอือวกันกาถนาความมีชีวิตเดียวกันไม่ต้องอื่นไกลแต่คิดตนตัวของเราแล้วแต่ ก, กัน เจ็บไข่จนจะตายแล้ไม่ตายแลกวเขายังตีนลนหาวิ่งหาหมดหาหมอกลัวจะตายนี่ใช่ใชก็ตัวนะตัวตายแล้วเรานี่ยไปฆ่าเข้ามาเด็ดชีวิตเข้ามาจะฆ่าโดยการสนุกสนานก็ตามหรือฆ่ามาเพื่อเลี้ยงปากเนี่ยต้อไปช่าแล้วน น, นคิดอยูเถอะเขาจะแทงเขาจะห่วงชีวิตตั้งแต่ตไหน เราเนี่ไปเห็นเก็บปากเก็ท้องยิ่งเห็นเนื้อเห็นตักเท่าไั้น่ะคิดอร่อยอยู่เลยมันยิ่งกวัญอยากเหมือนเงินเกินเสือเห็นหงูเสือเห็นหรืนักเห็นหมูเพราเห็นนั้นได้คิดถึงชีวิตที่วางเขาล่ะจะไปอยากอินปากากิน ท, ท้องเราไม่ได้ไถ่เลยคนเราทั้งว่าผู้มีจิตจะไม่หิปกระทุ่งถลายจิตเห็น ชีวิตจิตใจมันก็ดื่นนะอย่าไปเข้าใจว่าเป็นคนยังมีสัตว์นิสัยสัตว์อยู่รูปร่างเป็นคนแต่นิสัยยังเป็นสัตว์เหตุนั้นพระพุทธเจ้ายังสอนว่าให้ผัสคาสิพูดตอนนี้คนนั้นน้อยใจหมดหมดท่าแย่ไม่ค่าจะเคยไม่มีจริงงดคนเอา ก็เพราะเหตุที่ว่าฆ่าสัตว์นี่แหละมึงฆ่ากูกูฆ่ามึงมันยังไมยเดือดรอ้อนทุกข์ที่เป็นเดือดว่านเจ็บทุกข์ตองนี้เพราะเหตุที่มึงฆ่ากูทำ่างนี้่างงดเว้นไปจากการฆ่า ก, กันกันกนะันลองดูจะมีษษควสุขสุดเท่าไรคนเราแล้วการกินแหละคะันเราเป็นหัด ก, กันเป็นยากทีงได้กเกิดมา หากินเนื้อเอขาเลือดเนื้อเขามาเป็นเพื่อนชีวิตของเราอย่างเดียวมันหัดเป็นยากมันได้เกิดมาได้ไหมเคยไปเห็นแล้วว่าความมาพวกไทยใหญ่เขาไม่ฆ่าแต่เขยังเป็นบ้านไป็นเมือนงหาผักกินน้ำมันงากินน้ำมันถั่วกินผักกินผิด เขาก็ยังมีกำลังเรี้ยวแรงแค่งแรงความจริงเงื่อนเรื่องน้ำมันงามมีมีแต่มีมากยิ่งทำให้สุขภาพเขาดีแสดงไม่ค่อยเกิดโรคเกิดไัยเป็นหิดเปื่อยหิดต่อเป็นกลากเคลื่อนไม่ค่อยเขาก็ยังอยู่ได้อันพวกเราเในพืชเคยเป็นยากมาเลยจะกลายเป็นคนเป็นในยากทีเดีเรื่อง เราฆ่านั้นให้รักษาศีลแม่ร้อยอกร้อยใจแย่แย่นี่ย OK ังว่าเกนไอ้กะพีมันแข็งเข้าไปถ้าหาก็ขคู่ไม่ฆ่าสัและใจของเราเนะ่ยจะเกินเมตตารานี้จะเห็นใจเขาใจเราเห็นชีวิตเขาชีวิตเราเห็นทุกข์เขาทุกข์แถ้าหาว่าคนไม่เคยรักษาศีลเฉยเลยเนี่ยเห็นเขาเมแต่จะเอามาเป็นเนื้อ เราอย่างเดียวเอาเลือดเอาเนื้อคอาเป็นเนื้อเลือดเนื้อเราอย่างเดียวไม่มีเพะก็ะเมตตาบานีมืดมีปิดมัดชิ้นทาตรง น, นั้นไม่มีเลยเดียวว่าการรักษาศีลนั้นมันเป็นการทาทานในตัวเพื่อให้อภัยทานที่เราควรจะขาดทำไมขาดเดี่ยวให้อภัยทาน สิ่งของควรที่จะลักตอกคุ้มขโมยควรที่จะโลภเอาโดยการต่างๆนั่นก็แมวก็เป็นอภัยทา น, นอภัยทานในตัวมันรวมเข้ามาแล้วนี่ทานมาอยู่กระสินมันรวมเข้ามาอยู่ในฉีนรักษาสิสาานไปทานในในตัวอันนี้เมืม่อมาหัดพ่อนาทํำสมาธรรมิํารวมจิตสํารวมใจให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เราหัดทำสมาธรรมิสมาธิ ยิ่งเป็นฐานใหญ่ยิ่งเป็นฉินใหญ่มาล้วนวิธีขมงคนเราถ้าหากจิตมันจะสงบอย่างเดียวก็แล้วมันจะมีอะไรบาปกระทำไม่เกิดกิเลสทั้งหลายความยุ่งวุ่นวายทั้งทั้วหมดเราสระไปลายใจเขาเรียกว่าเราทางฉินคือความปกติเมื่อจิตแจไม่อยู่ปกติตามธาตุาเองไ ม, ม่คิดสงสยัยเ ข, ขาเรียกว่าฉิน เมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเข้าถึงแก่นก็เหมือนกับต้นไม้น่ะเ็ดเปลือกตัที่มาหล่อเลี้ยงแก่นให้แขลงขึ้นก็เหมือนกันมารวมทึงแก่นถ้าพระเดจจาพระริยรสงสากทั้งหลายท่านรวมถึงแก่นแล้วค่ะ น, นี่ท่านนิพพาน เรียกว่าแก่น น, นั้นผุพังไปแล้วเสื่อมสลายไปแล้วไม่ว่าเกิดฟ้ากรดขึ้นมาดีที่อธิบายมันนี่เพื่อให้เข้าใจโดยสรุปรวมข้อมันยอ่ะการปฏิบัติพุทธศาสนานะเราอย่าไปเอาถ่ายเดียวแต่นั่งภาวานามันตาย้าเอาการภ า, ราวานา่างเดีย ว, วไม่ต้องนักสักสินกบแม่ ล้วเาศึกษาลอย่างเด้ยวเราไม่ต้องทำทา น, นทํทานอย่างเนียแเราไม่ต้องมีไหวพระสวดมนต์อะไรไม่าจาทำทาทั้งหมดไม่มีกิจวัตรอะไรก็มไมนะ่แหละการทำการปฏิบัติพุทธศาสนาปฏิบัติมาโดยลาดับตั้งแต่ไหวพระสวดมนต์ท่องส่งผลลัพในบิานดามารคนเฒ่าของแกได้ยังนัอนอ่นแ่ะวู้ยช้าดอกไม้ถืเียนได้ยน่ะ เป็นคนพอดีแคนั่นแหละคือมันทำใจให้เบิกบานทำใจให้ใจสะอาเมื่อทำบุญดับทานในชจะจาราสระอีบอกอีนใจใ น, ในสรจะจาราลงไปเมื่อมารักษาสินให้จิตใจนี้แล้วมันแข็งกล้าวถึงก็ได้ใช้เส้นบาตกตันแล้วก็มานั่งทำควมเขียรภาวนาทำสมาธิ เป็นในแนวปฏิบัติพุทธศาสนาท้งนะั้นเราไม่ได้อันหนึ่งก็ให้ได้อันหนึ่งไม่ได้ไม่ได้รับไม่ได้สมออาธิก็ให้มาอยู่กับศีลเมื่อไม่มีศีลก็ให้มาอยู่กับฐานเมื่อทำท้าไม่ได้ก็มีไววพระบสวดมนต์หรือปฏิบัติบิดามันดาวิช า, าจารย์ หรือมีความจงรักภักดีเมตตาความดีอบอ้อม อ, อันดีญาติน้องพ่อพ้องหมู่เพื่อนด้วยกันให้มันมีเครื่องอยู่คนนั้นจึงได้ชื่อว่ามีสาระเครื่องอยู่ถ้าหากไม่มีเครื่องนี้เครื่องอยู่แล้วมันก็สัตว์ ด, ดีๆนั่นงสำหรับที่ดูดีสัตว์เหนียวเลยกินนล้ก็นอนกินแล้วก็ น, นอน เดนมาหากิ้นใหม่นอกจากเขาไม่ทนดีขึ้นไปตอนนั้นเขาก็มาใช้การใช้งานเอาแรงแม่เขาใช้ตายแล้วกินเนื้อกินหนังวัดไม่ได้ไประโยชน์อะไรแกตัวเลยเชียงกินนอนตื่นก็มาหากินใหม่ไม่ได้ไประโยชน์เลยกินเพื่อท่าตายกินคอยวันตายเขาไม่ใช้แรงงานเอาแรงงานเราไปใช้เปล่า แล้วเขาไม่ได้กินอะไรหรอกไปทำนายเขาทั้งทุ่งแล้วไปกัดเข้าเขาสักต้นเดียวเขาตีเขแทบตายคิดดูสิมันได้อะไรตายแล้วเขยังสบายใจซะเดือดเนื้อหนังไปปั่นไปกินสนุกเขาไม่ได้คิดอินดูเมื่ตายเลยเลยเลยไปนิเดเตียวตัวเรานี่ยคนที่ทำบาปกรรมทั่วไม่เด็ดทำไปตายไปยังว่าไเไยเป็นสัตว์ ถ้าเรามีศรัทธาที่พึ่งอย่างที่ว่านี้รับรองว่าไม่จะตายเป็นตายมีการทำทานมีการักษาศิมีการทำสมาธิภาวนาถ้าห่างแล้วจิตใจขเรากล้าแข็งทำภาวนาสมาธิแนวแนเต็มที่อาจจะพคนจากทุกข์ก็ตายแล้วไม่จะมาเกิดไปหาที่สุดไม่ได้มายุบมุดไหวอย่ายงนี้ต่อไป เนี่ยอธิบายมาในวันนี้เนมะื่าดเรื่องเรื่องการปฏิบัติศาสนาพ็เป็นแนวทางในงน้อยถ้าอยากพูดมันก็ก ว, าวา้างกว้างเพราะฉะนั้นก็ขอใหาทานกนจดจังนำออกมาคิดพิจารณาแล้วตั้งแต่ปฏิบัติไปตามก็สามารถ่จะใ้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดหรือถึงจุดหมายปทางที่เราต้องการสำนักปราชทุกประการอธิบายมาด้วยประกา